Wish this love could be forever and our love could be forever Wish this love could be forever and never and ever Wish this love could be forever and our love could be forever Wish this love could be forever and n ever and ever จิงไจงจะเป็นความบังเอิญหรื้ า, าตั้งใจ ที่มันทำให้เธอและฉันได้พบได้เจอกันมีเรื่องราวให้ผูดพันจนมันทำให้ได้รู้ใจว่าใครที่มาทำให้ความเงียบเหงาหายไปและมาคอยเติ ม, มเติมรอยยิ้มให้โลกสดใสวันทุกวันมีความหมายเธอคือใครที่ใจเฝ้ารอ ใครกับเธอท่าไรอิ่เจอกับความอุญใจใครต่อใครกัได้ก็มีสำคัญตาสบตาสื่อใจกันไม่เห็นตรงกูอะไรกันเพีเรายังมีกันแบนี้ เธอจะครวสลายหายไปแค่ไม่เธ อ, อย่างเดิมตรงนี้ไม่ว่าจะวันไหนเจอเรื่องใดมีวันไว้ยังมีเธอคอยเดินเคียงข้างกันยิ่งไกลกับเธอดู่าไรยิ่งเจอกับความอุใจใครต่อใครคนใดคนไหนก็ไม่สำคัญ ไกลไม่ว่าอะไรเราจะเดินไปด้วยกันผ่านวันเวลาแค่เธอจะมื